านอยากเป็นลูกเคยของแม่เจ้าและอยากเป็นลูกเคยของพ่อเจ้าอยากเป็นลูกเคยของแม่เจ้าและอยากเป็นลูกเคยของพ่อเจ้าอยาโอ้ผู้สาวเจ้านั้นเป็นลูกผู้ใด้ไอเห็นเจ้าในมือนั้นละไายลอโคดูเสื่อทึกใจไอเห็นเจ้าโพลุงเฟสไอเลยเข้าไปกด เจ้าน่ะหักอ้เลยอยากคัดเจ้าไปทันได้อ่ะเพรเจ้าบอท่านมีแฟนขอบอกเลยมันโคตรจะดีก็เจ้านาั่นหนัาหากได้อยากให้มาเป็นมบเสือดีถ้าเป็นแบบนั้นละมันละโคตรจะดีและก็อยากให้เจ้านั้นลงมาสนใจไอ้เน่เบบี้อ่ะหน้าตาของไอ้อาสิโบโลลอกรอเราแต่หักแท้ได้ความจริงใจไอ้มีเต็มกระเป๋าขอให้เจ้านั้นหันมาและน้องนั่งกันแน่เพราะว่าไอ้นั้นอยากได้เจ้ามา Tell you know. ความเล็ที่ไอ้ได้เห็นหนายเจ้าไอ้ก็อยากจะทักเรกจะเอ่ยคาเบาออกไปเล ย, ยกจะถาใจจะเป็นลูกผู้ใดเวลาที่เจ้าส่งยิ้มมาเน็ตในใจของอ้ละลายเท่าได้เอ้ยคอยติดต่เจ้าทุตัว แ, บบแวหวบเลยก็พอหัวจเปม่ตาแซบหัวจะระเบิดโทให้พร้อมเลเป็นเจ้าแนบมา เฟซแอดแฟนเธอหาเพจแน่ในบแต่สี่บลผมม่ไปขอเออเอ็กกัเจ้านางงาไม่รี ili, อยากให้เจ้านามาเป็นคูชีวิตแต่ว่ามันติดที่อายน้ำบอลเลยอาย e ้ำบอแต่ว่าอก็ห้าสิบหงส์นะเคือตคือนจ uh. ถ้าสมมติ ได้ยินบอกว่าผมอยากเป็นลูกเคยก็อยาก